มีใครไม่เคยมาไหมยกมือให้ดูหน่อยออมีเยอะเหมือนกันคนที่ไม่เคยมานะมีคนไหนไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อมีไหมมีหนึ่งคนโอ้หาจีสองสามสี่เออขั้อนชั้นชั่วหน่อยนัออ้นว้าวเวเกินไม่มีคนเดียวคือเรามาเรียนกรรมฐานนะมาเรียนสักพักหนึ่งก็เห็นผล เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเปลี่ยนในทางดีนะไม่ใช่เปลี่ยนในทางเลวลงอย่างเมื่อวานมีพวกอาจารย์นครสวรรค์เข้ามากันเข้าไปทำค่ายสอนเด็กให้เจริญสติในชีวิตประจำวันให้คอยรู้กายรู้ใจแต่วิธีสอนของเขาเป็นแบบสมัยใหม่แบบนักการศึกษานะมีให้เด็กเล่นเกมมีอะไรอย่างนี้ หลวงพ่อจะพาพวกเราเล่นเกมหลวงพ่อก็ ส, สารรูปไม่ให้นะเดี๋ยวก็คงเป็นลมตายก่อนเนี่ยแต่นั่งพูดเฉยๆเนีย่ยพวกเรามาเรียนเรียนนะแต่ละคนพอเรียนพอรู้หลักเนี้ยเอาไปบอกต่อๆไปสอนต่ออย่างพวกอาจารย์เขามาเรียนกันเสร็จแล้วเขาก็ไปหาวิธีว่าอย่างไรทำอย่างไรจะถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยให้เด็กรู้เรื่องได้แล้วก็ทำเก่ง ไปคัดเด็กมาพันคนแต่เราโรงเรียนไปเลือกมาเลือกมาแล้วเด็กเขาก็เขียนรายงา น, นเขียนเหมือนกันหมดเลยว่าตอนถูกคัดตัวมานี่นะโมโหโกรธมากเลยคิดว่าจะถูกจับไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมต้องไปอดเข้าวเย็นทรมานอะไรอย่างเงี้ยพอไปหัดเจริญสติหลายคนนะมีความเปลี่ยนแปลงคงไม่ทุกคนหรอก เพิ่มไปไม่ได้ว่าคนเรียนกรรมฐาน100คนแล้วได้ fois 100คนมันแล้วแต่ความสนใจมันไม่เหมือนกะลนิอย่างพวกเรานะพวกเรามาเรียนพวกผู้ใหญ่หน่อยได้ thereby sangatlassen ตั้งใจ insp AFT ม, มาเรียนถ้าเต็มใจมาเรียนแล้วไม่ดื่นนะไม่ติดเพลงไม่คิดมาก ถ้าติดเพ่งมาคิดมากมาแต่ไม่ดือ้อนะก็พอเรียนได้ถ้าดื้อสักอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาเรียนอะไรแล้วมันเหมือนน้ำชาล้นถ้วยงั้นผู้ใหญ่มาเรียนร้อยคนเนี่ยโอกาสได้ผลเนี่ยมันเยอะเยอะกว่าเด็กส่วนเด็กมันถูกบังคับไปคงได้ผลบ้างแต่เขาก็ว่าได้ผลเยอะนะคัดมาเคยพาเด็กมาให้หลวงพ่อดูโอ้เด็กมันตื่นมาดีพวกจูนพวกอะไรนี้ไปช่วยเขาป่ะเคยไปไหม แลวออสอนอาจารย์หลวงพ่อก็บ้างงั<ๆ>้นๆนะสอนเด็กนั้นน่าดูจริงๆเด็กมันตื่นขึ้นมาได้มากมายเลยเด็กบางคนมันเป็นโรคเครียดนะเป็นโรคชักอะไรอย่างเงี้ยอาหารเจริญสติแล้วมันไม่เครียดมันก็ไม่ชักเด็กบางคนมันติดยาเสร็จติดหามันเห็นใจที่อยากจะกินยาอะไรนี่มันเห็ น, นค่อยๆทนๆ น, นะมันหนีได้พ้นได้ เด็กบางคนก็นไม่ยอมอยู่บ้าน ท, บทออกกับทะเลาะกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเลยมีเรื่องไปเรื่อยแก้วอารมณ์เอามาหัดเจริญสตินั่นมันเห็นกิเลสตัวเองครับนี่ใส่เปลี่ยนบางคนเลยพ่อแม่ตามมาเรียนด้วยมีพ่อแม่ขอมาเข้าคอสเด็กนักเรียนตามมาเรียนอันนี้ความสามารถของพวกครูพวกพี่เลี้ยงเขาไปช่วยกันนะไม่ใช่ความสามารถหลวงพ่อหรอกหลวลงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอก จริงๆสอนใครไม่ค่อยเป็นเท่านั้นแหละงานหลักจริงๆสอนตัวเองแต่เดิมนี่ไปพลาดพล้างตรงเมื่อปีสองเจ็ดน่ะวันหนึ่งหลวงพ่อพุทธท่านสั่งบอกคุณไปเขียนประสบการณ์ของคุณไปประสบการณ์การปฏิบัติของคุณน่ามันน่าสนใจทั้งวันหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อพูดยาก เราก็ไปโอ้ท่านสั่งให้ไปเขียนเผยแพร่เราไม่จะไปเผยแพร่ที่ไหนนะเอาแล้วว่าเห็นมีมนักสื่ออยู่เล่มนั้นนักสื่อโลกทิพย์อะไรเงี้ยเขามีคอลัมน์ประสบการณ์การปฏิบัติเขียนไปลงนะเขียนไปแล้วก็กลัวเขาติดต่อกลับมานะบอกค่าเขียนค่าเขื่อนน่ะยกให้หมดเลยจะไปทำอะไรก็ตามใจนะไม่เอาหรอกค่าเขียนเนี่ยตั้งแต่เผยแพร่มาเนี่ยไม่เคยเก็บตังค์สักบาทเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ยังเป็นคารวะ เสร็จแล้วก็เริ่มคุยกับคนใ ก, ใกล้ใกล้ใกล้ตัวเพื่อนเพื่อนภาวนาแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงวงมันค่อยๆโตขึ้นไปหาครูบาอาจารย์นะนั่งรถตู้กันไปทีแรกนั่งรถตู้นะเข้าวัดท่านมองปั๊บเลยอุทานเลยมันไปรวมมาได้ยังไงวะ <c oughs> ที่อื่นเขาก็ตื่นสักคนหนึ่งไม่ค่อยจะตื่นเลยนี่ตื่นมาได้สิบคนเลยท่านรู้สึกทึ่งแล้ว วงมันค่อยขยายขยายแต่มาย้ายงานนะไปอยู่องค์การโทรศัพท์งานสบายขึ้นไม่เครียดเหมือนอยู่สำนักนา ย, ยกงานเครียดมีเวลาเหลือนะไปนั่งดูอินเทอร์เน็ตนะดูไม่ค่อยจะเป็นหรอกแม่ชีเขาสอนให้นะดูดูแล้วพี่ เ, เขาคุยธรรมะกันนะคุยกับเขาบ้างแต่หลังมาบวชคนไปรู้จักเยอะแล้วเราไม่ได้คิดจะบวชนะทีแรกอะ เราคุยเต็มที่เลยไหมสบายใจรู้อะไรก็เล่าเล่าเล่าไปได้พอจะบวชเนี่ยคนรู้จักเราเยอะขึ้นไปแล้วลำบากแล้วแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำมีสองอย่างเองคือสอนเทศเทศตอนเช้าเช้าเทศมานานนานจนเหนื่อยนะรู้สึกเทศเหมือนกันทุกวันเลยเบือ่อเบื่อนะเราไปเขียนหนังสือดีกว่าคิดแกเขียนหนังสือให้ไปอ่านเองจะได้ไม่ต้องมาหาเรา เนี่ยดูสิโง่ซ้ำซ้อนพลาดตั้งแต่พูดแล้วนะพูดธรรมะไปพอเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้แล้วเขามากันใหญ่อุ้มลูกจูงหลานมาก็มีเรากะจะทุ่นแรงเลยเขียนหนังสื อ, อคราวนี้สบายและนะเ้วเขียนหนังสือไปคนก็ยิ่งเยอะกว่าเขาดีนายโยมาขอขาทำซีดีนะทีแรกก็ทำแจกกันเองนะแจกกันในกลุ่มของเขาเล็กๆแล้วเขาก็เต็มไม่ได้นะ ห้ามเผยแพร่เอสดีห้ามเผยแพร่ล็อตนี้นั่นไปทั่วประเทศในเวลาอันสั้น <c oughs> มากกว่าเอสดีเปิดเผยยุคนี้อีกนะสี่เรื่องใต้ดินจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรก็เรื่องเท็จมัอนที่เท็จอย่างนี้แหละไม่ลึกเท่าตอนนี้ด้วยตอนนั้นเราหักภาวนาความรู้เราอย่างไม่เยอะเท่าไหร่หนังสือออกไปซีดีออกไปเลยนำความทุกข์มาให้มากมาย ใครมาชวนทำโปรเจกต์เพิ่มแล้วหลวงพ่อไม่ยอมเลยเพราะงั้นงานที่หลวงพ่อทำแท้ๆมีสองงานเองคือางานสอนอย่างนี้แหละกิจอย่างอื่นไม่รับเลยนะนิมนต์ไปอย่างอื่นไม่ออกเลยแล้วก็เขียนหนังสือแจกที่ทำจริงๆจะทำอยู่สองอย่างนะอย่างอื่นที่คนอื่นทำทั้งนั้ น, นคนไหนทำซีดีเป็นก็ไปทำนะคนไหนทำเว็บไซต์เป็นก็ไปทำทำกันเองนะไม่เกี่ยวกับวัดหรอก เราไม่ได้ไปสั่งให้ทำนะบางทีก็มาทำวิดีโอวิดีโอก็ไม่ใช่ของวัดนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกเมื่อสักเดือนก่อนก็มีคนมาขอถ่ายวิดีโอนะขอขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อบอกขอเวลาแค่หกนาทีจะถ่ายตอนเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องไมาย้จะถามปัญหาเราก็ไม่มาขอถ่ายเราเดี๋ยวเรากลัวเด็กเราเสีย เดี๋ยวเด็กจะไปหลงระเริงเป็นนางแบบเข้ากล้องแล้วเคยตัวอะไรนะไปถามพ่อเขาก่อนนะว่าพ่อเขาก็ว่าไงพ่อเขาบอกลูกเขาอยากลองอะไรเด็กมันอยากมีประสบการณ์ให้มันลองดูถ้าเราให้โอกาสเด็กลองทดลองนะแล้วเราคอยไกด์ให้เด็กจะได้ไม่เสียคิดอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กใฝ่ฝันวันหนึ่งจะไปเป็นนางแบบขึ้นมาเราเสียเด็ก ไม่ใช่นางแบบไม่ดีนะหลวงพ่อห่วงว่าเด็กจะไม่ภาวนาเนี่ยมันจะไปหลงแสงสีซะให้ลองดูแล้วคอยไกด์ไม่ไม่ให้ไปหลงนะให้รักษาความเป็นตัวของตัวเองนะอย่าไปเป็นดารานะสอนสอนเด็กครั้งเดียวเด็กบอกเข็ดแล้วไม่เอาและไม่เห็นจะมีความสุขเลยขาดสติทำให้เครียดไม่ดีอันนี้ค่อยประสบความสำเร็จหน่อย ดูพวกเรานะดูก็พยายามอบอุ้มที่สุดเลยนะดูอะไรจะดีที่สุดสำหรับเราดีก็เลยเดือดร้อนเลยเดี๋ยวคนอื่นจะมาขอถ่ายบ้างเลยไม่เอาละเข็ดและไม่เอาไม่ใช่ซีดีของวัดด้วยนะไม่ใช่โปรเจกต์หลวงพ่อด้วยอ่ะต่อไปศึกษาธรรมะเด็กมันยังเรียนได้เลย ผู้ใหญ่ป่านนี้เรียนไม่ได้ก็อายเด็กแหละแต่ถ้าพูดแบบริกเกต้องป้องปากนะเด็กมันเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียนยากกว่าเด็กผู้ใหญ่คิดมากยิ่งประสบการณ์มากมากนะยิ่งดื้อจิตมันดื้อนะว่ายากสอนยากยิ่งอายุเยอะๆขึ้นไปนะโดยธรรมชาติเลยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเนี่ยยิ่งมั่นใจในตัวเองสูงยิ่งเซลจัดอะไรเงี้ย ว่ายากสอนยากแก้ไขา ย, ยากเรียนอะไรใหม่ใหม่หมยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนธรรมะด้วยหัวใจใสใสซื่อมาด้วยความใฝ่รู้แบบเด็กๆนะที่นี่เขามีอะไรกันนะมาลองฟังดูลืมความรู้เก่าๆเสือมาลองฟังที่หลวงพ่อประโมทพูดให้ฟังดูสิทำไมคนอื่นเขาว่าดีเขาเปลี่ยนแปลงเขามีความสุขเขารู้เนื้อรู้ตัวเขาตื่นมันเป็นยังไง มาด้วยใจที่เปิดกว้างเลยมาเรียนมาฟังฟังเล่าไปลองทำดูหลวงพ่อสอนง่ายๆหลวงพ่อสอนให้รู้สึกตัวคนทั่วทั่วไปทำไมต้องมาสอนให้รู้สึกตัวเพราะคนทั่วไปไม่เคยรู้สึกตัวเลยเมื่อก่อนตอนบวชใหม่ๆพูดอย่างนี้คนโกรธนะมีโยมบางคนโมโหหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกรู้สึกตัวไว้สบันหน้าใสเลยนะดิฉันรู้ ต, ตัวตลอดเวลาเลย นี่ตาแขวางังแขวงังเลยแล้วโอรู้ตัวน่ากลัวมากเลยนี่หน้าตาดุมากเลยโ อ, โอ้คนรู้ตัวคนไหนบอกได้ก็บอกนะคนไหนบอกไม่ได้แล้วไปก็ไม่กล้าไปแต่ต้องนี่พอพูดมานานๆนะพวกเราค่อยๆหัดรู้สึกหัดรู้ทันจิตใจตัวเองใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันนะว่าจิตเราหลงไปจิตมันจะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาไม่ยากอะไรหรอก Vocês turned left for think. When we turned in a light, there's no one feels to think. Have you been patient? Have you been a your last friend? Having been my Ug murder? There's gone to digital Like birth, don't think you think. As of following theologian seeing, when you guys were thinking about what they memorized. There are major drawers whoifie they CHARKE, เวลาที่เราไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยสังเกตให้ดีเราจะลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตดูนะตอนนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วเวลาฟังแล้วก็คิดตามเนี่ยสังเกตไหมตอนที่คิดเนี่ยมีกายเราก็ลืมมันไปมีจิตใจเราก็ลืมมันไปงั้นเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเหมือนเราฝันไปฝันทัทง้ทงทั้งที่ลืมตาตื่นความคิดกับความฝันนะ่ะอันเดียวกันแหละความคิดตอนนอนหลับเราก็เรียกว่าฝัน ความฝันตอนที่เราตื่นอยู่เราเรียกว่าความคิดจิตมันขึ้นมาทำงานในลักษณะเดียวกันเงื่อนใจของคนทั้งโลกแล้วมันฝันตลอดเวลาคิดตลอดเวลาร่างกายตื่นนะแต่ใจเนี่ยฝันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใจไม่ตื่นในโลกไม่มีคนตื่นยากเหลือเกินที่คนจะตื่นขึ้นมาอาศัยได้ฟังธรรมะนะแล้วก็ค่อยๆหัดสังเกตสังเกตอะไรง่ายที่สุดเลยที่จะตื่นได้เร็วที่สุด ให้คอยรู้ทันนะว่าใจไหลไปคิดถ้ารู้ทันว่าใจแอบไปคิดแล้วเนี่ยในขณะนั้นจะตื่นทันทีเลยมีครูบาอาจารย์หลายองค์นะที่พูดอย่างนี้แต่ว่าสำนวนโมหันต่างกันอย่างหลวงปู่ตูนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ได้ห้ามคิดนะอาศัยคิดคิดแล้วก็รู้ทันว่าคิดเนี่ยจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิด ครูบาอาจารย์นิวงศ์นะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าคิดเนี่ยทำไมได้ต้นทางเพราะถ้ารู้ว่าคิดปุ๊บจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะตื่นขึ้นมางั้นหน้าที่ของเราเบื้องต้นเนี่ย เราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นกันเราตื่นเฉพาะร่างกายนะถ้าร่างกายไม่ตื่นเนาะมาวัดไม่ได้ก็วยกเว้นเด็กๆแล้วพ่อแม่อุ้มใส่รถมามาตื่นเอาที่วัดผู้ใหญ่เนี่ยก็ร่างกายมันตื่นแล้วขาดแต่จิตมันตื่นจิตมันไม่ยอมตื่นเพราะจิตมันหมดแต่ฝันอยู่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไปฝันอยู่นะจิตไปแอบไปคิดอยู่เราจะตื่นในชาปนนั้นเลย สังเกตดูใจเราคิดตลอดเวลาขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปมีใครฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดไหมสังเกตให้ดีเราคิดว่าเราตั้งใจฟังสังเกตตัวเองให้ดีนะตั้งใจฟังฟังอย่างเดียวจริงหรือเปล่าไม่จริงขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดนะบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อบางครั้งก็ไปมองที่อื่นไม่ได้ฟังอย่างเดียวละแต่ไปดูด้วยดูหลวงพ่อบ้างดูคนอื่นบ้าง บางทีก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดๆหน่อยๆนะสองสามประโยคสองสามคำจิตก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปไม่มีหลอกฟังอย่างเดียวเราค่อยๆสังเกตใจของเราไปเราฟังไปคิดไปจริงไหมทันทีที่เรารู้ว่าใจเราไหลไปคิดนะเราจะตื่นในชาปนนั่นเลยฉะนั้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อนั้นใช้เวลาไม่เยอะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยประมาณเดือนเดียวก็เริ่มตื่นขึ้นมา ไม่เหมือนลูกศิตรุร่นแรกๆนะอย่างพี่ไวเนี่ยโอ้ยนอนมากเลยยี่สิบกว่าปีถึงยอมตื่นนานเรียกว่าอภิมหาอมะตะนิรันดร์นานนานมากที่นานมากเพราะแต่การติดสมาธิคิดถึงการปฏิบัติก็จะทำแต่สมาธิเห็นไหมตอนหยุดพูดใจแอบไปคิดกันรู้สึกไหมค่อยๆสังเกตนะคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยฟัง อย่าไปวาดภาพว่าหลวงพ่อจะสอนอะไรที่เหมือนใครขึ้นเขานะหลวงพ่อสอนง่ายง่ายอะ่ะลองรู้ทันใจที่ไหลไปคิดลองรู้ตัวนี้ดูไม่นานก็จะตื่นแล้วเดือนนี้เรียนเดือนหนึ่งก็ตื่นและ้วสองเดือนก็ตื่นและ้วยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วเนี่ยจะได้มากได้ผลในชีวิตนี้ เพราะพอเราตื่นนะเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดปั๊บเนี่ยเราจะรู้ของจริงละเราจะไม่ใช่ฝันฝันเราละชีวิตของเราตอนนี้เหมือนคนฝันอยู่ฝันไปเรื่อยนะมันฝันกลางวันฝันไปเรื่อยๆแต่พอเรารู้ทันว่าใจเราไปคิดใจเราไปฝันใช่เราจะตื่นขึ้นมันเหมือนเราตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจมันจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันหรอกตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยตื่นเลย อาศัยรู้ทันจิตที่ไปคิดจิตที่ไปฝันจิตก็ขตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ตื่นแล้วเนี่ยถึงจะสามารถเห็นความจริงได้คนที่ฝันอยู่ไม่เห็นความจริงเพราะว่าความฝันไม่ใช่ความจริงความคิดไม่ใช่ความจริงเมื่อไรหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดออกจากโลกของความฝัน ains, เราจะสามารถเห็นความจริงของชีวิตได้เราจะรู้สึกลงที่กายรู้สึกลงที่ใจได้จะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ บางคนชอบฝันเรื่องกายเรื่องใจอีกนะคิดเรื่องกายพิจารณากายไปคิดเรื่องจิตใจจิตเป็นอย่างวานั้นเงี้ยนี่ฝันอีกพวกหนึ่งไม่ฝันอีกพวกหนึ่งเพ่งเพ่งก็ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจ <_ S 1> อย่างรู้ลมหายใจนะฮะ <_ S 2> ให้จิตไปเกาะนิ่งๆส่งสติไปเกาะส่งจิตไปจับอยู่ที่ลมนิ่ง ๆ, ๆอันนี้ก็ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจเป็นการเพ่งบางคนดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้อง อันนี้ก็เป็นการเพ่งมันคนเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้านะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้ก็เป็นการเพ่งไม่ใช่การรู้กายรู้ใจยังสิ่งที่ขวางการรู้กายรู้ใจเลยมีสองอย่างอันหนึง่งความคิดความฝันของเราเองถ้าเราคิดไปเรื่อยๆใจไปคิดเมื่อไหร่ใจก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้พอมารู้กายรู้ใจแทนที่จะรู้ตามที่กายเป็นตามที่จิตใจเป็ น, นก็ไปเพ่งเหมือน ศัตรูของการที่จะรู้กายรู้ใจเลยมีสองอย่างศัตรูเบอร์หนึ่งก็คือความหลงไปคิดหลงเผลอไปเพลินไปลืมกายลืมใจนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สองคือการเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งให้จิตมันนิ่งอยู่ที่กายให้จิตมันนิ่งอยู่ที่จิตไม่ให้มันกระดุกกระดิกไม่ให้มันเคลื่อนไหวการลืมกายลืมใจเนี่ยทำให้เราทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาต้องรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะความ เป็นตไรลักรา น, นิจังทุกขังอนาตาของกาย Laborator ilfi สั่งใจถ้าลืมกลายยืม realtà ต่อฟะหกระทั้งกายก ela ใจก็ไม่เห็นจะไปเป็นไ những ไฟน์ realized มีในในใจเรื่อง overseas ที่แอดงอยู่ใ น, กาย ใ, นใจยางไหนได้เหมือน SC เราจะต้องไปดู concert เ, เราหาเวที concert ไม่เจออยู่ไหน عندما จะดูไลรักร는지ของกายของใจัย i เองเราก็ต้องดูที่กายที่ใจ ถ้าเราใจลอยไปเราฝันไปเราคิดไปเราลืมกายลืมใจไปเราก็ไม่มีวันที่จะเห็นใจรักของกายของใจเลยเหมือนอยากไปชุมนุมสมมติว่าจะไปชุมนุมหน้าธรรมเนียบอะไรเงี้ยหรือชุมนุมที่มรควรณสมมติเดี๋ยวนี้เขาชุมนุมที่ไหนไม่รู้แล้วไม่เคยตามเขา่าวเราพาไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่เห็นการชุมนุมสักที เ ร, เราอยากเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแล้วเราก็ต้องรู้กายรู้ใจวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นกลายเห็นใจแล้วรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเพราะฉะนั้นถ้าใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจรู้แต่เรื่องที่คิดแล้วคิดคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้เมื่อไหร่เรารู้ทันนะเมื่อจิตหลงไปคิด <hoof ing> เราก็จะตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้กายรู้ใจได้ นี่พอเรามารู้กายรู้ใจเนี่ยบางคนรู้อย่างเป็นธรรมชาติรู้ไปอย่างที่กายเขาเป็นรู้อย่างที่ใจเขาเป็นเขาเป็นยังไงเขาเป็นใจลักษณ์อย่างนี้ทำวิปัสสนาดได้แต่คนจำนวนมากเลยพอไม่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะกลับไปเพ่งกายเพ่งใจไปบังคับให้กายนิ่งไปบังคับให้ใจนิ่งทำอะไรให้มันผิดธรรมชาติผิดธรรมดา แทนที่เราจะเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจคือไตลรลักษณ์นะเรากลับไปเพ่งกายให้นิ่งเพ่งใจให้นิ่งมันนิ่งมันก็เที่ยงสิมันแทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงกลับไปว่ากายนี้เที่ยงใจนี้เที่ยงนิ่งไปนะนิ่งพอดีพอดีนิ่งแบบสบายๆมีความสุขนะแทนที่จะเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กลับเห็นว่ามีความสุขเ พ, เ, เ, เพ่งเก่งๆนะเพ่งเมื่อไหร่ก็สงบเมื่อนั้นมีความสุขเมื่อนั้นดีเมื่อนั้นก็รู้สึกว่ากูเ ก, ก่งแทนที่จะเห็นว่าไม่มีตัวกู ตายไปว่ากูเก่งขึ้นมาอีกดังนั้นการที่เราคอยไปเพ่งเพ่งเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจนะไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงคือไม่เห็นใจรักของกายของใจแต่กายจะนิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงใจรักให้ดูทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราทำวิปัสสนาไม่ได้ด้วยสองงานอันหนึ่งลืมกายลืมใจไปเลยเหมือนจะดูคอนเสิร์ตแต่มัวไปอยู่ที่อื่นไม่เห็นเวทีมัน ถ้าเห็นเวทีมันนะดูอยู่ที่เวทีมันเดี๋ยวก็เห็นการแสดงก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สองที่ทำให้เจริญวิปภาษณาัสสนาคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจไม่ได้คือการเพ่งเพราะฉะนั้นพวกเราหลายคนติดเพ่งที่หลวงพ่อบอกอย่าไปเพ่งนะที่เคยเพ่งอยู่ก็เลิกซะเถอะหันมารู้สึกกายอย่างที่กายเขาเป็นหันมารู้สึกจิตใจอย่างที่จิตใจเขาเป็น แอบมารู้ซื่อๆนะกายเป็นอยัางไงก็รู้สึกไปจิตเป็นยังไงก็รู้สึกไปเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่คงที่นะเดี๋ยวก็ยืน <usions! S 2> เดี๋ยวก็เดิน <sculpt. S 2> เดี๋ยวก็นั่งเ <directions. S 2> ดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวหายใจออกเดี <lifting S 1> ๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวกินอาหาร <Yun> เดี๋ยวขับไถ่ายเดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวเป็นอย่าง น, listed, างนี้ร่างกายไม่คงที่เลยจิตใจก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้คอยตามรู้ตามดูไปไม่ได้ไปฝึกให้นิ่งแต่คอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขา อย่าไปฝึกให้หมันนิ่งการฝึกให้นิ่งก็ดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบสมถะเอาไว้ตอนที่หมดแรงและ้วไม่สามารถทำมิปัสสนานได้ก็ทำสมถะพักผ่อนให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายมีความสุขจิตใจมีความสุขขึ้นมาเรามีสติรู้ทันว่าจิตมีความสุขเนี่ยเรากลับมาดูจิตได้ละดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดู คอยรู้อย่างนี้ก็ได้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกลายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาหายใจไปก็คอยรู้สึกหายใจไปแล้วคอยรู้สึกอย่างหายใจให้ขาดสติหรือจะพุทโธก็ได้นะพุทโธแล้วก็คอยรู้สึกตัวพุทโธแล้วคอยรู้สึกตัวไปเวลาจิตจะสงบจิตจะรวมนะมันรวมด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้รวมบุกหมดสติไปเลยหลายคนคิดว่าจิตสงบจิตรวมต้องขาดสติไม่ใช่ จิตสงบจิตรวมจิตทรงฌานทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่จิตมีสติทั้งสิ้นเลยไอ้จิตที่นั่งแล้วก็เคลิ้มขาดสตินั้นไม่ได้จิตทรงฌานนะจิตที่ทรงฌานเป็นจิตที่เป็นกุศลเมื่อนั้นไม่ขาดสติขาดสติเมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อ น, นั้นเพราะนั้นเวลาเราภาวนานะจิตจะทรงถึงฌานหรือไม่ถึงฌานนี่ก็อย่าไปขาดสติหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี่หายใจไป เห็นจิตใจเป็นคนดูร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นเนี่ยหักไปเรื่อยๆการที่เราคอนเซนเทรตสนใจอยู่ที่กายอย่างเดียวเนี่ยนะเห็นกายมันหายใจแปรใจเราเป็นคนดูไม่ไปดูอันอื่ น, นดูอยู่ในอารมณ์มันเดียเ่ยวนี่จิตก็ไม่ฟุ้งไปเชี่ยอารมณ์อันอื่นจิตก็สงบลงมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เวลาจิตรวมลงไปรู้ลมหายใจแล้วจิตรวมลงไปนั้นมันจะรวมนุ่มนวล น, นะรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่นั่งนั่ง <c oughs> ก็อ้อเข้าฌานไม่ใช่แล้วนะเข้าฌานบ้านฌานเดือนแล้วลงไปอยู่ที่พื้นแบบนั้นต้องรู้ตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนขนาดนี้หลวงปู่โลกเทศสอนหลวงปู่ ด, ดูลบอกยาส่งจิตออกนอกจิตออกนอกกับเพราะขาดสตินั่นแหละท่านพูดคนละสำนวนแต่เนื้องหามนันอันเดียวกันมันมีสติไว คอยดูเนื้อรูดตัวอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความฝันอย่ามัวแต่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งคอยดูกายมันทำงานคอยดูจิตใจมันทำงานมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงทงั้งกายทั้งใจเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดจิตใจถูกตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดทนอยู่ไม่ได้ที่เดียวอยู่ไม่ได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เอง ร่างกายก็ทำงานของมันไปจิตใจก็ทำงานของมันไปค่อยๆรู้สึกไปนะรู้ไปการที่เรามีสติเห็นความจริงของกายของใจมากๆเนี่ยเห็นไปเรื่อยใจมันจะเอื่อมละอามันจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วกาย น, นี้ใจนี้ถูกความทุ่งบีบคั้นตลอดเวลามีแต่ความแปรปลวนมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนไหว ร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนนะร่างกายเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันทำงานร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายเห็นร่างกายมันทำงานไปได้ไม่ใช่เราค่อยดูกายก็ดูไปอย่างเนี้ยให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวที่ยืนนั้นกายมันยืนไม่ใช่เรายืนอันนี้ไม่ใช่คิดเอานะ ถ้าใจเราตื่นขึ้นมาแล้วเวลารู้กายมันจะเห็นเลยกายมันทำงานเองไม่ใช่เราทำงานเพราะฉะนั้นความตื่นนั้นสำคัญเป็นต้นทางเลยถ้าตื่นไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นคิดเอาเองว่าไอ้ที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่เรายืนนะร่างกายยืนนี่คิดเอาเองแต่ถ้าจิตมันตื่นจะรู้สึกเลยตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันทำของมันเองมาดูจิตดูใจก็จะเห็นเลยจิตใจมันคิดได้เองนะคิดนึกปรุงแต่งของมันเองเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้มันทำงานของมันเองเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นแต่ความไม่เที่ยงในจิตใจคือมันทำงานตลอดเวลาไม่คงที่เลยมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็มันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะเนี่ยสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้ห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูของจริงลงไปให้มันเห็นเลยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนะดูอย่างนี้นานๆแต่จิตมันยอมรับความจริงแล้ว ทั้งกายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกวันใดที่มันยอมรับจริงๆนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีจะเป็นพระโสดาบันนะอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันว่าคือคนที่ไปนั่งสมาธิแล้ววูบวูบลงไปแล้วก็เป็นพระโสดาบันคนละเรื่องกันสมาธิไม่ได้ทำให้ใครเป็นพระโสดาบั น, นการทำวิปัสสนานไม่ใช่สมรถะแต่สมถะนั้ น, นทำให้มีแรงทำวิปัสสนาเป็นตัวช่วย งานหลักคืองานวิปัสสนานะงานสนับสนุนคืองานทำสมรถะแยกให้ออกถ้าทำแต่งานสนับสนุนนะไม่ทำงานหลักก็เจ๊งเท่านั้นเองเหมือนตั้งบริษัทนะบริษัทเราผลิตรถยนต์สมมุติเงี้ยงานสนับสนุนเช่นงานบุคคลเปิดรับสมัครพนักงานเลยรับมันทุกวันเลยไม่เคยผลิตรถสักคันเลยมันเจ๊งกันสิ หรืองานประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเป็นงานสนับสนุนประชาสัมพันธ์ทุกวันเลยเชิญมาจองรถเลยแต่ยังไม่มีโรงงานผลิตเลยให้จองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นงานหลักของเรานะคือการทำวิปัสสนางานสนับสนุนนะคืองานทำสมถะจำเป็นไหมจำเป็นนะมีแต่งานหลักนะมีกองทัพมีทหารจะไ ป, บปรบกับเขาไม่มีการส่งกำลังบำรุงเลย ลบกับหมาไปกัดกับหมาพักเดียวก็หมดแรงแล้วนะสู้หมาไม่ไหวแล้วงานั้นงานสนับสนุนก็จำเป็นแต่เราต้องรู้ว่าอันไหนเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนบางคนทำแต่ความสงบอย่างเดียวไม่พอนะทำแต่งานสนับสนุนไม่มีงานหลักค่อยเรียนไปนะค่อยเรียนไม่ยากเท่าที่คิดหรอกอดทนฟังซีดีไปสักเดือนหนึ่งแล้วอย่าดื้อ น, นะสังเกตใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมา อาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ